ถ้าจะ 23 เมษายน 2532 ตามที่ 3 ตามเดิม ที่ท่านบอกว่าเมื่อสำนัก 40 นี้ปฏิบัติจะ 40 มี อันดับแรกจิตจะล้วงเข้าไปถึงตับไตไส้ปอดตั้งแต่หัว คำว่าสวยของคนหมดกันตรงนี้แล้วก็ ก็พิจารณากันไม่ยากทุกอย่างเมื่อเห็นแล้วก็มีความรู้ พระอนัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณจิตมันก็ <c oughs> Weer we zijn me meer diep. We zijn het oppervlak. We het oppervlak. ik zijn alleen maar op het oppervlak. We het We het ในเมื่อมาพบกับเขาถึง เพียงกระไนแลได้สึกนั้นรู้มีความรู้สึก เนี่ยทรมานมากเกินไปการทรมาน เองไกลลงก็เองไกลลงไม่เห็นตัวเอง ก็เวลานั้นมันยังเป็นป่าเยอะตํารวจฉันค่าเช้าในป่าเวลานั้น ก็จริงเห็นพลาดแล้วนี่มามาคุยกับอาตมาบ้างมาทายกับบรรถานบ้างเค้าก็คิดว่าคงฉลาดมากได้ความจริงโง่บัดซบโง่ ถ้านักกะจับเล่นน่ะบอกว่ามีธรรมปีติสูงมากท่านบอกว่าระวังนะปีติปีติถ้ามากเกินไปผลมรรคผลจะ เอกกราบอย่าให้ฟูเกินไปถามท่านว่าคําว่าพอดี แต่ไม่เห็นตัวก็ลืมตายขึ้นมาบาดเมื่อไหรก็มีดอกไม้สวยๆอย่างดอกท่านองค์ต่างก็ฉัน นั่งไปนั่งมาหลังจากเที่ยงถึงเวลาที่พระ ปồng พระพุ่นหนองก็ออกมารับแขกไม่รู้ว่าเป็นเวลาพอสมควรเวลาประมาณ แต่ว่าไม่เข้าใจเรื่องการถามพระว่าไม่เข้าใจเรื่องการถามพระถ้าบอกเนี่ยมันเป็น หลังจากนี้มีความพอใจหรืออย่างว่าการถามพระได้พอพอใจแล้วครับท่านก็เลยบอก ถ้าว่าอย่างอาจารย์ปานและอย่างอาจารย์จงๆมันไม่ผิดถ้าภาพพระเป็นจิตเส้น ยานี้เธอก็จะผิดทางก็รับปากท่านก็บ่ต้องทําทุกวันถึงแม้ว่า <c oughs> <c oughs> อย่างเมื่อคืนนี้เทถเธอที่เธอเห็นกายคตานุสติร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายน่าเกลียดเล่าหนังเล่าเนื้อพอดักไปใส่ผงออก <c oughs> <c oughs> ไม่ได้บอกท่านท่านรู้ท่านบอกว่า ปล่อยให้ดิ่งไปตามนั้นสักครู่หนึ่งจิตมันจะ มันดีทุกมุมกรุงความว่าการ 15 วันก็เป็นเวลาทั้งกลับท่านถามว่าแล้วจะ ใกล้ใกล้เวลาที่ท่านจะก็กราบเรียนท่านอุตตานวาดท่านจะตายก่อนพระปานน่ะ <c oughs> เราไปพบเธอเห็นพระเมื่อไหร่นึกถึงฉันเมื่อนั้นฉันจะพบกับเธอ เพราะการศึกษากันทั้งหมดเนี่ยไม่พูดกันทางฤทธิ์เลยเรื่องการอ้อนแล้วกาธิที่ไม่มีการศึกษาๆคน หลวงวะรงค์พบนี่หลวงว่าสมัยหนึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พระมหาธาตุคือหลวงพ่อ ต่างคลองสองพี่น้องไอ้วัดนี่จําไม่ได้แน่นอนในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าอารามอนุทนแล้ว ตนแต่พอพอบอกว่าตน ตามตำราตำรานะตำราเค้าเขียนถูกแต่ความรู้ สมภพหนองยังไม่มาก็เลยไม่มี ไม่ใช่ดีแต่ตำราทางธรรมะธรรมนูด้าน ยกคำดุษว่าเยท่านพระท่านบอกว่าผิดทำไม่ถูกทำไมให้ผมมาให้มาตอนสายแล้วก็ผมก็เลยมาตามคำสั่งของท่านแล้วก็เห็นก็ถามว่าท่านพระโพธโฆสาจารย์นะก็ถามว่าต้องพระสั่งว่ายังไงขอ ถ้าท่านสําเร็จพระโคสาจารย์ๆเมื่อจดเสร็จสังทําตามพิธีกรรมนั้นทันๆพระ แต่ขึ้นชื่อว่าของธรรมดาในโลกบรรดาสรรพสัตว์ทั้งพระพุทธบริษัทต้องเป็นของคู่กันในเมื่อมี ก็เป็นคลองธรรมดาธรรมดาถ้าไม่เป็นอย่างนี้คนในโลก ก็เจอพระชันดีรูปศิษย์ของพระปานในๆมีปริมาณน้อย ในสมัยทวีปัสนาเนี่ยอาตมาจําๆแล้วก็ สาวองค์นี้เอาจริงนอกนั้นก็เป็น บรรดาพระภูนี่แหละเอ้าอรหันต์มาแล้วโวยคนเก่งมาแล้ววะเอาพวกเราใครอยากจะดูอะไรใครอยากจะดูแสดงฤทธิ์ก็ต้องยิ้มเค้าว่ายังไงเราก็ยิ้มที่ยิ้มเพราะอะไรยิ้มเพราะว่าเพราะเรารู้แล้วว่า จิตใจเห็นภาพต่อเวลาพอเขาพูดปั๊บเห็นภาพนายอดีตของเขาแล้วไปนอนจมในอเวจีมหานรกไฟลุกคึบ คนทะดากันฝ่ายเดียวอยู่ฝ่ายนึงด่าอีกฝ่ายนึงไม่ด่าถ้าขึ้นสถานีก็เหมือนกันในเมื่อเขาเลวถ้า คนธรรมดาถ้าพูดนี่เขาต้องเถียงไอ้นี่มันบ้าๆบอๆใครก็พูดยังไงก็เอาก็แค่ยิ้มอย่างเดียวยืนเดินเคลื่อนก็บ้า แล้วก็ยังไม่เข้ากฎอีกก่อนเข้าไม่ได้ในเมื่อท่าน โอปาลท่านบอกคําว่าคุยกับพระก็คือพูดกับพระพุทธเจ้าการที่พบพระพุทธเจ้าได้ก็ดีพบเทวดาหรือ ถ้าถึงใดที่มันยังพร่องอยู่สมมุติว่าเวลานี้ ว่าจะทํายังไงถ้าก็จะบอกให้แบบสั้นๆเฉพาะที่ต้องเพราะบุญบารมีทุกคนทํามาแล้วอย่างไหนมันเต็มแล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องทําฉะนั้นมันเต็มแล้วรักษาไว้ไม่ต้องทําใหม่ถ้าทําสิ่งที่มันยังไม่ได้บกพร่องให้มันเต็มอย่างในเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังมี เทศน์คนฟังง่ายๆอย่างคิดว่าความตายยังมีกับเรา <c oughs> เพียงเท่านี้ถือก็เป็นพระโสดาบันเพราะอะไรว่าทุกสิ่งทุกอย่างเค้าพร้อมแล้วมันขาดเท่าๆถ้าบุคคลใดได้อาจารย์ที่ ถ้ากรรมอย่างอื่นกรรมชั่วไม่มาแต่ไม่มีอิตรธรไม่ตัด 3 องค์นี่ถามพบพระได้แล้วหรือยังก็บอกว่าฉันสอนให้เขาพบ ข้าฉันจะบอกเขาฉันก็บอกได้แต่ไม่ใช่หน้า หากก็ไปหาแล้วเพราะหนองเค้าก็เรียนมาแล้วเค้าเวลานี้ก็ท่านครับญาติโยมทั้งทั้ง เพราะปานนี้บอกว่าจริงเนี่ยไปยุ่งกับพระท่านเอาคุณทั้ง 3 องค์ ขอความสุสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลๆจงมีแด่สวัสดี